เหนื่อยเพราะศีลเพราะธรรมไม่เป็นไรเหนื่อยเพราะการเจริญสติไม่เป็นไรเราเหนื่อยเพราะกิเลสตัณหามามากเหนื่อยเพราะความโลภความโกรธความหลงความวิตกความวุ่นจนหมดเรี่ยวหมดแรงมาพอแรงแล้วเราจึงมาสร้างออกเงา อ, ออกแรงสร้างความรู้สึกตัว เหนื่อยเพื่อศีลเพื่อทำไม่เป็นไรเหนื่อยเพื่อการทําความดีช่วยหรือกดอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเราเปรียบกับเปรียบเหมือนเราใช้น้ําใช้ไฟเราใช้น้าเพื่อบริโภคเราใช้ไฟเพื่อทําประโยชน์ถ้าเราปล่อยไฟทิ้งน้ำไหลทิ้งไม่ใช่ประโยชน์เช่นความโกรธ มันใช้ชีวิตติดศูนย์ไปเปล่าๆคมทุกข์ความไปตกของวนเน่ะมันเผาผลาญทำให้ชีวิตเราสิ้นเปลืองไปวันนี้เรามาถนอมสร้างความรู้สึกตัวเพื่อทำความดีแล้วมัก็มีลอยไม่ฟรีหรอกการเจริญสติเนี่ย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 ที่ถูกต้องไม่ศูนย์เปล่าไม่สิ้นเปลืองนะโดยเฉพาะศีลส ม, มาธิปัญญาเนี่ยเป็นการถนอมชีวิตเราถ้าทุศีลอสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีก็พุ่มเพิ่มพุพ่ม่วยสุดรุ่ยสุดไร่เรจึงมาฝึกขัด มันก็เราใช่วัตถุสิ้งของนั่นแหละแต่ว่าบางคนใช้ไม่เป็นก็สิบหายง่ายเสียหายง่ายเป็นคนเอาพับเอบจนก mm hmm. ารใช้ชีวิตก็เหมือนกันชีว mm ิต hmm. เรามันเสียหายมันสูญเสีย การคิดวิธีเป็นการสูญเสียเรียกว่าอาการเกิดดับเกิดเท่าไรก็เสียไปเกิดเท่าไรก็เสียไปยิ่งเกิดเรื่ทันเมื่อเกิดไม่ทันก็จิบหายเกิดโลภัยไข่เก็บต่างๆถ้ามีศีลไมีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วมันไม่มีสิ้นเสุมันมันได้มาชานมันปกติมันทดแทนกัน มันทดแทนกันเราจะเป็นความสุขเราจะเป็นความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ อ, อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่มันปกติเนี้ในนัดนมีเสียให้ได้เห็นให้ได้พกเห็นถ้าเป็นบุญก็คือรู้แล้วแล้วก็สิ่งไหนที่ทําให้ผิดเราได้ทําให้ถูกแล้วเป็นบุญของเราแล้ว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 ความหลงมันไม่หลงอีกแล้วอย่างนี้สิ่งเห่านี้แนีเป็นสิ่งที่เราต้องทำกันเราจะทำยังไงชีวิตเราก็าต้องมีแบบฉบับในศาสตร์านามีการกระทำิริยาทธรรมแล้วชีวิตเราก็เหมาะที่จะทำอันนี้เป็นงานอันวิเศษการปฏิบัติธรรมการภาวนาเนี่ย เป็นการทำงานอันวิเศษชีวิตที่ทรงคุณค่าค่าเราและไม่พอเป็นค่าต่อสิ่งอื่นวัตถุ อ, อื่นคนอื่นอีกด้วยเห็นว่าพระเจา้าของเราเนี่ยสี่ห้าพันปีเนี่ยสองพันสามพันปีน ย, ยังเป็นประโยชน์อยู่ประเทศอินเดียถ้าไม่มีพระเจา้าออ ประสูตหรือตัดเซลลูอยู่ที่นั่นแล้วประเทศอินเดียอาจจะไม่มีค่าอะไรแต่ได้ก็แปลมาเป็นสภาพวัตถปุปีหนึ่งปีหนึ่งได้เงินจากการท่องเที่ยวการภาาศาสนาจากพระพุะปปะทธเจ้าเป็นหลายหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเราได้ ก, ก็เป็นประโยชน์เป็นผลกระทบมาถึงพวกเราด้วยเป็นส่วน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 สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขึ้นมาแล้วก็มีอย่างนี้คชีวิตเรามาแสวงหากันมาปฏิบัติทำกันมาสร้างสติมาดูเห็นอะไรก็จะได้ฉลาดเสี่งเหล่านั้นเห็นความหลงก็ฉลาดมันต้องมาให้เราเห็นอยู่ดีๆถ้าเรามีสติ ความหลงก็ต้องมาให้เราเห็นหลงแล้วหลงอีกเราก็รู้แล้วรู้อีกความโุกความทุกข์มันนะความห่วงเหงาหาอนความวิตกกังวลสศรหมองอะไรต่างๆมันเคยผ่านตาบางทีมันก็เคยมีอำนาจใช่กายใช่ใจไปพัดเข้าไป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 ดอลล่าเนี่ยหลวงพ่อเห็นกลมตาบอดเขายืนดีบกีตาร์อยู่นิ <c oughs> วยอกแถวแถวรนนสาวบรีของนิวยอกเขาอยืนหยืดดีบกีตาร์่ลาดอลล่ า, ลามันก็ใบเท่าๆกันนะเขาเขาก็เปิดกระเป๋า หลุดสิปออกเขาเปิดกระเป๋าไว้ข้างๆเขาเขาก็ยืนดูดนิดกีตาไปแต่ในคนเอาไปโยนดอลล่าใส่กระเป๋าเวลาตบมันเขาก็นั่งลงเก็บดอลล่าต้องเป็นใบเท่าๆกันอ่าอ่าหนาึ่งดอลล่าเขาก็ว่ยส่วนหนึ่งดอลล่า ห้าตอนล่าสิบตอนล่าเขาก็ไว้เฉพาะนั่นแต่ผนเป็นใบกระดาษ <Okay. S 1> มันยังรู้จักคนสัมผัสนะเ <Okay. S 1> อาเป็นคนตาบอดบ้านเราเหรียญสิบเหรียญห้าเขาก็รู้จักเพราะเขาสัมผัสถ <c oughs> ้าเขาไม่เคยสัมผัสเขาก็ไม่รู้ <c oughs> การสัมผัสกับความรู้สึกตัวมันเป็นยานยิ่งกว่านั่นอีก <c oughs> มันเป็นยานเป็นมากเป็นผลที่สุดเลยตวามรู้สึกตัวเนี่ย แต่ถ้าไม่มีความรู้จากตัวเหมือนก็ไม่ได้สัมผัสกับอะไรปลีไปทั้งหมดเลยชีวิตเราอะไรก็ไม่รู้เอาทุกอย่างบ้าหอบฟางความหลงก็เอาความโกรธก็เอาความทุกข์ก็เอาความรักความชังความวิตกกังวลสมองเอาหมดแ ล, ล้วไม่รู้จากเลือกจนเฒ่าจนแก่ตายไปเท่าไหร่แล้วก็ปลัไงหมดเลยหมดเรี่ยวหมดแรงไปปลี อันนี้ทางวัดสุกโตเนี่ยขอเชิญชวนพวกเรามาเถอะมาปฏิบัติธรรมนะไม่เกี่ยวกับชาติชั้นวัฒ น, นะเพศวัยนกายลทัทธิชาติใดภาษาใดเพราะมันเป็นของสากลทุกคนพิสูจน์ได้ยกสร้างจังหวะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปแล้วมันจะเห็นอะไรที่มันเกิด้นมาหรอก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 ถูกการตรวจสอบเช่งเราได้ทันทีว่ามันคืออะไร เ, เหมือนคนเข้ า, าบานเหมือนทวารนายทวารบานเฝ้าประตูใครมาก็ต้องดูก่อนเหมือนกขาเขาตั้งด่านด้วยหน้าวัดเนี่ยบางคืนสามทุ่มไปเขาก็ตรวจสอบใครไปใครมาถ้าใครในอะไรเขาก็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 ใครก็ได้ถ้าไม่มีไัยจะนุ่งกางเกงหอวสั่นขายาวใส่เสือ้อสีไหนห่มนุ่หงห่มผ้าอะไรไม่เกี่ยวว่าแต่ไม่มีไผ่เพราะเราตรวจสอบเราเปความรู้สึกตัวเนี่ยให้มีให้มันเป็นใหญ่ในตัวเองในนี่เราไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นทาตุด้วยซ้าไปที่เรานาะเป็นทาต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 จะได้เห็นจะได้มีนิสัยใหม่ขอนิสัยใหม่นิสัยแห่งพุทธคือความรู้สึกตัวนะมาสร้างตัวนี้มามีนิสัยอันนี้ <c oughs> อย่าไปพูดแต่ปะไม่สร้างอันนี้ <c oughs> ไหว้ทานเขาให้เป็นนิ้อใสเป็นเปิจใจเพื่อมรรคผลในพันนาในอนคตการเบื้องหน้านุา่นเทินว่ า, า, าอยู่เฉพาะเรื่องนั้นไม่มีการมาทํามันจะไม่มีนิ้ใสถ้าเรามาทํานนีมันจะเกิดนิ้ใสพยายันสร้างความโลภนะวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งเราเป็นงจงกรมหน้าก็ไม่เกินนีช่ชาก็ไม่เกินวินาทีไวาก็ไม่เกินนี้เท่าไหร่ ประมาณนี้แหละก็ามาสร้างให้มันเกิดความรู้ขึ้นมารู้เอารู้เอารู้เอาถ้าเป็นการเจ็บซับก็เจ็บเอาเจ็บเอาพวามรู้สึกตัวมันเป็นอริยทรัพย์ภายในของเราเราก็เจ็บโอ้เจ็บเอ า, เอาความจนก็หมดไปหมดไปเพราะมันมีอริยทัพย์ขึ้นมามีสติมีสมชั ญ, ญาธิแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเป็นสิมเป็นสมาธิขึ้นมา เป็นปัญญาขึ้นมาออกงามขึ้นบ้างนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่มันมีเรื่องนี่หแรบบือเรื่องอื่นมันก็น้อยลงหรือหมดไปเลยความหลงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เฉพาะพวกเราเราดอกสร้างสติปฏิบัติธรรมหลายหลยหลายหลายชีวิตหลายหลา ย, ลายพื้นที่ หรืเพราะในภรษาเนี่ต่างบางสถานที่ก็เอาทิงเอาจังผมพ่อจเคยไปอยู่ถ้าเขามีจังหวัดสุพรรณบุรี อ, อําเภอด่านช้างไมน่นอนเลยลว่าหนึ่งมาตั้งโต๊ะนั่งอะไรศาลาเวลาหลังใหญ่ มาตั้งโต๊ะกลาง น, นุ่งในศาลานั่งคนละเสาละเสาละเสาแล้วนั่งนานพอะครก็เดินบางคืนก็นั่งหลับกันมีอยู่เพื่อนปฏิบัติธรรมของเราก็มีอยู่ ท, ทั่วไปทางวัดโมกขนันแก่นก็เพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้ปฏิบัติธรรมกันพอสมควร วันที่สิบสามเนี่ยไม่หลับไม่นอนกันเลย <c oughs> ปฏิบัติเพ่าดูกายดูใจเป็นวันมรณภาพหลวงปู่เทียนแล้วเราก็ยังทำกันอยู่เป็นเวลาสิบหกปีสิบหกสิบห้าปีแล้ว <c oughs> สารสิทธิ์ของหลวงปู่เทียนก็ยังพากั้ามาทำปฏิบัติ ยต่นเรือร่นกันอยู่อย่าอ่อนแอพวกเาราพยันายามน้อยพยันามเจริญสติไม่ไม่ไม่เหมือนขยันหลังโซฟาหน้าสุดินนหรขยันรู้สึกตัวอย่างนอนอยู่ก็รู้สึกตัวได้นั่งอยู่เดินอยู่ยืนอยู่เคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้าพิบตากระนัําลายมองไปข้างซ้ายข้างขวาเคลื่อนไหวเพิ่มข้อความรู้สึกตัวเข้าไป หัดให้มันเป็นเนตใสแต่เราใดบอลหลงมันจะกระตือรือร้นเราความรู้จักตัวเนี่ยถ้ามันมีแล้วมันเห็นตัวหลงเนี่ยเห็นชัดเห็นแน่เห็นจริงจังเห็นทุกข์เนี่ยเห็นจริงจริงฉันเดินยังไม่เห็นชัดมนก็ทํางานหมันก็ตว น, มนหมอตรวจโรคก็เห็นเชื้อโรคหลกโอ้ยรู้แล้วรู้แล้ ว, ล ก, ลวกระตือรือร้นลงลงแล้วกัน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 ความสุขความทุกข์เดี๋ยวไปหลงมันมันไม่มีหรอกมันหลอกเราเฉยเราหาความสุขความสุขก็วิ่งหนีเราเกลียดความทุกข์ความทุกข์ก็ไล่เราไปพอเรามาดูควางจริงมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความรู้สึกัวดมีแต่ความรู้สึกัวดแล้วจมีที่มันหนักแน่นเ้าไปมมีสติ ให้สีทมั่นคงเข้าไปใี้สมาธิแน่วแน่ใี้ปัญญาลอกปลูกลู่ลอกอะไรที่มันเกิดขึ้นมาหุนใหญ่แมงมุมที่มันอยู่ในกลางอะไรมาจัดมันลูกมันแก้ไขมันเปลี่ยนร่ายเป็นดีมันเปลี่ยนทุกข์มันเปลี่ยนทุกข์เป็นสุขมันเปลี่ยนหลงเป็นรู้ ไอ้ปฏิบัติมัเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะกิริยาที่เราทําแล้วก็มีนานในกางมันเป็นการเป็นงานเราทำแรกมันเป็นการเป็นงานความรู้สึกเราก็เป็นงานของเราความหลงก็เป็นงานสร้างความหลงเป็นความรู้สร้างความรู้ด้วยต่ามันขยันมามันมีความเพียน ความเพียรอะไรก็องไม่สู้ความเพียรการเจริญสติเ น, น้มันเป็นกอกเป็นกรรมเสมอไม่เสี่ยงด้วยนั้นเราทำงานทำการเจริญชาวนาปลูกข้าวบางแห่งก็เสี่ยงท่วมแล้วับางแห่งก็แห้งแล้งแล้วบางแห่งก็เปิดอ่าสัดอ่าเกิดสัตวปูพืช <c oughs> ขึ้นมาอ่ความแห่งท่วมเลยเขาเสียงหมดเที่ยวหมดแรงเท่าไรลงทุนลงแรงเท่าไร่แต่วาการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ได้เสียงยกมือสร้างจาักรวาลรูปสตัวอ เวลาไหนก็ไม่มีการเลยถึงจะมาเอาเลยก่อนจะหลอกหลับก็เอาไปเลยอะหลับค่าวความรู้สึกตัวสบายเลยถ้าหลับค่าวความหลงฝันแลับคุณวายไปหมดเลยนั่นเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมันเป็นขอบเป็นกรรมเป็นงานเป็นการเห็นความหลง สร้างความรู้มันพอเหมาะพอดีกับเหมาะจอบแล้วชอบแล้วสร้างความรู้เวลามันหลงเปสี่ยมสมหลงเป็นความรู้การงานชอบปฏิบัติชอบอยู่ชอบรู้ชอบอะไรได้ประอยู่โดยชอบสเกเมพิทเว พิสุสัมมาวิหายเลยอยู่อาศุนโยโลโกรอรัลหันเตหิอัสะพิสุทั้งหลายเมื่อพวกเขออยู่โดยโอบแล้วใช้โลกจะไม่ว่าจากพระอัลหันไปเคยอย่างนี้แหละตั้งของมรู้จักรูก้นี่แหละไม่มีอะไรก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไป มันชอบแล้วชอบรู้สึกตัวนะจะไปเอาอะไรอีกจะไปหาอะไรอีกจะโดดออกหนีลูกสึกตัวลูกสึกตัวหนะ่อยมันทำงานชอบเสุดยอเดเลยแต่มันเจออะไรเสร็จแลมันไม่หลักแล้วมันยอมรู้สึกตัวไปเฉลยไปปร ะ, ประกบตัวอะไรยอมรู้สึกตัวเหมือนกับในเครื่องมือ ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ก, กับอะไรถูกต้องทั้งหมดนะเปิดเผยได้เปลี่ยนได้เป็นดีได้เปลี่ยนผิดเป็นถูกกพระฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เราโง่หลงงมงายไม่ใช่เพ้อฝันมันเป็นการเป็นงานเป็นการกระทําใครก็ตามอันเดียวกันนั่นแหละสากล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 เป็นบุญสากลไม่ใช่บุญแบบลอยๆถ้าเป็นสวรรค์ก็พออยู่ในแดนแล้วเข้าประตูได้เข้าประตูแล้วถ้าเป็นสวรรค์ไม่พันก็เปิดประตูลจะไปหรือไม่ไปกันนะไม่ใช่อยู่ไกลเลยอยู่กับมื่อเราอยู่กับการกระทำของเราตัวปฏิบัติ แต่มันทุกข์ก็เปรียบทุกข์เป็นสุขหมะปัดตูแล้วเปิดด้วยมือเราแล้วถ้ามันหลงก็เปรียนหลงเป็นความรู้แล้วปัดตูแล้วเหมือนกับนักบันดาบชะโมลัยเคยพูดแล้วหลายครั้งไปถามอาจารย์อาจารย์ครับสวรรค์นรกมีจริงไหม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 อาจารย์หาว่าดูโผว่างโง่โสดหน้าเด้งขึ้นมาคนเคยปั่นดาก็จะเอาดาบมาปันอาจารย์ชักดาบอก อ, อกอาจารย์ก็ร้องว่าโอ้ประตูนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วนับปันดานก็นการู้ตัวโอ้ประตูนรกคือความโกรธอือ ก็รู้ว่อ้ประตนรกคือคมโกรธความหลงเนี่ยพอเห็นเ น, นะแลนะก็เอาทำใจทำใจไม่ให้มันโกรธพอมันหายโกรธเอาดาบเข้าฝักอาจารย์ก็ล้องเขเอง่ะโอ้ประตูสวรรค์เปิดแล้วประตูสวรรค์เปิดแล้วโอ้นักันดาบแล้วก็รู้เลย <c oughs> โอ้สวรรค์โดนนรนกเลย <c oughs> ตาประจอย่างพอใจเนี่ยมันเห็นด้วยมือการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละมันรูปคําอยู่ทําดีด้วยมือเราแล้วความชั่วด้วยมือเราทำเป็นชมพวกความชั่วมันก็เกิดขึ้นที่มือเราเนี่ยที่ชีวิตเราเนี่ที่กายที่ใจเราเนี่จะไม่รับรีที่ไหนดอก คนทนโทษ อ, อยู่ น, นี่แหละเห็นสันหลังมันอยู่นี่แหละยังโ <c oughs> บราณท่านว่า <c oughs> ไก่เห็นตีน ง, งูงูเห็นตีนไก่ไก่เห็นนมงูงเห็นนมไก่ถ้าเป็นกรรมกิเลสวิบาต้องมากับงูข้าวหางงู หมูขา้าวหางไก่ไก่ข้าบหางหางงูงูข้าวหางงูหูข้าบ ห, หางไก่ไก่ข้าบหางงูงูข้าบหนองหรือมันเห็นอยู่เนี่ยอะไรล่ะที่มันเป็นก ร, รมัม อ, อะไรที่มันเป็นกรรมัมเราจะตัดจะตัดตรงไหนเราจะไปแก้อะไรจะอ้อนวอนหรือต้องหยุดตรงนี้ล่ะ จะเปรียบเหมือนคนสูบบุหรี่เพราสูบจึงอยากเพราอยากจึงสูบเพราสูบจึงเพราสูบจึงติดเพราติดจึงอยากเพราอยากจึงสูบเหมือนงูข้าบฟางไก่ไก่ข้าบฟางหมูข้าวฟางงูข้าวฟางไก่ไก่ข้าวฟางหมูหมูข้าวฟางงูแล้วพูดหล ง, ลงๆไป <c oughs> ลักษณะก็เป็นอย่างนั่นแหละ กรำมันอยู่ตรงไหนจะเป็นสูบบุหรี่เพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบบางคนก็โอ้ยมันอยากสูบบางคนบอกโอ้ยมันติดแล้วไม่สูบไม่ได้เพราะมันอยากมันอยากก็คือสูบมันสูบ้วก็ติดมันติดก็อยากกรำมันอยู่ตรงไหนกำมันนี่ก็อยู่ที่การกระทำเพราะสูบ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 ใครจะมีบาปเนี่ยทำอะไรมามาสร้างซะเนี่ยขลวงพ่อไปอบรมที่วัดหนึ่งนมือ่อครรภปฐมอาจารย์เจ้าวาดประกาศว่ามีพระบางามานวิชัยเยอะแย ะ, ย ะ, ยะเต็มวัดท่านไม่มีที่ไว้แล้วท่านบอกว่าท่านก็บอกคนถ้าใครทำแท่งนะ่ย มีทางเดียวที่ตัดเวนตัดกรรมต้องสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยนีนนย่อย่างอ ย, ยู่คือชาลามาตยเราต้องสร้างพระมารวิชัยไปถวายพระไปถวายวัดจนจะสิ้นเวรสิ้นกรรมปรากฏว่าคนทำแท่งเยอะก็เลยสร้างพระประธานไปถวายวัดตั้แต้มไปหมดเลย ไปไประชุมกันพระสี่าห้าร้อยท่านเจ้าวาดประกาศให้พระสงฆ์ที่ไปไประชุม <c oughs> มารับได้ต้องการเพราะไม่มีที่ไว้งั้นหรือที่ตัดจาเจ้าวาดก็ไปสร้างไปบอกโยมนะโยมที่เป็นทาแท่งเขาไปทแท่งกันจำนวนมากก็เอาพระไปไหว้ไปไหว้ไปไห ว, ไ ว, ไว้ไม่มีที่ไหวเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่หน่าตัดสี่สิบห้าสิบนิ้ว ถ้าใครทำแท่งมากก็สร้างพระองค์ใหญ่ๆไม่อใช่การตัดกรรมก็ต้องหยุดสิจะให้มันเกิดเหตุอย่างนั้นเป็นไงหยุดหยุดตรงไห น, นมันหลงผนต่อมันคือมันหลงเพราะมันหลงก็บรูปตัด ก, กรรมถ้าไม่รูปตรงนี้ก็ไปแล้วมันมีตัวรูป ก, กับตัวหลงเท่านั้นอะก่อนที่เราจะไป ทำแท่งมันเกิดหลงก่อนพ่อที่จะมีเด็กทีใ่ในคันมันต้องหลงก่อนถ้าไม่หลงมันไม่เกิดยานั่งขึ้นมาทำแท่งบ้างกินยาคมบ้างใส่ถุงยางบ้างหลมล่มเหลวทั้งนั้นั้าเกิดโรคเอชดีเอชพือฟนนะแต่เ น, นี้ยถ้าดูตัวหลงมันอะเป็นสารวัตรคลองเรือนก็หัวหนึ่งเมียหนึ่งะค่นั้นเอง มันจะมีปัญหาอะไรไปหลงทําไมนี่แหละมันอะไรไปตัดกรรมต้องเอาพระประธานไปสร้างพระประธานไปถร้อยวัดโดยคําบอกของพ่อหลวงพ่อก็ไปเอาโอ้ยที่วัดก็ไม่หลายรูปแล้วถ้าไม่มีก็จะเอาอยู่เป็นเรื่ององค์สวยๆอ่ามันกรรมย่างไงกรรมคือการกระทําที่เราทําอยู่ในด้วยมือของเราเนี่ยมันเห็นอยู่นี่มันหลงที่ใดเราก็ลูบมันอยู่เนี่ย พอเดินไม่ลูกมันเราดกพอหลงึงมาก็ลูกพอหลงเราก็ตามมันก็ไปไปนะพอลงจึงโกรธพอหลงจึงโลภพอหลงจึงรักพอหลงจึงชังพอหลงจึงสุขจึงทุกข์ถ้ามันไม่หลงมาจะลด้ยปกติเลยล่วะวะเราจะเอาอยัางไง ร, ริงขนาดนี้นะําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ ไม่มีการไม่มีเวลาปฏิบัติได้เหรอมันหลงที่ไรเราก็เปลี่ยนเป็นตัวลูกหรืออุตสาหดตรงนี้สักหน่อยเพียนตรงนี้แต่ต้องสร้างตัวลูกไว้มันจึเจะมีพลังยามสงบเราฝึกยามศึกเราจึงลบได้จะไปลบตรงๆเลยมันก็ไม่ได้ต้องฝึกไว้เหมือนนักป่วยที่เขาจะขึ้นเวทีเขาต้องซ่อมไว้ฝึกไว้ นักกีฬาที่เขาจะลงสนามก็ต้องฟ้อมซ่อมไว้เฝึกไว้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสร้างไว้แต่มันมีพรอสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มันก็ไม่มีนะปฏิจจสมุปบาททำที่เป็นการตัดฉลุพระเจ้าได้ตัดฉ ล, ลุปฏิจจสมุปบาโทโพธิปักเคียร์ทสามพิเศษประการอยู่ในการปฏิบัตินี้ทั้งหมดเลย มันไม่ต้องไปเรียนหนังสือไปท่องไปจําอะไรหรอกทาลงไปภาวนาเนี่ยภาวนาคือขยันรู้เนี่ยตัวภาวนาคือตัวขยันรู้เนี่ยไม่ต้องไปบ่นเพิ่มาำอับหนังสือมาท่องไม่ใช่ขยันรู้เอาไว้ขยันรู้เอาไว้เนี่ขยันลู้มาว่ามาว่ า, ว า, ว า, วามันไม่ใช่ลู้เฉยๆมันมีอะไรเกิดตรงนั้นเป็นพวงไปเลย มันฉนลุไปเลยเหมือนพระพุทธเจ้าสอนแสดงธรรมคาสอนพระพุทธเจ้านจะเปรียบเหมือนใบไม้ในป่าแต่พระพุทธเจ้ากําใบไม้กํามือเดียวสิ้นไปชูให้พิสุทั้งหลายดูน่ะพิสุทั้งหลายพลังรู้ที่เราตถาคตโู่มากเหมือนใบไม้ทั้งป่า แต่ที่เอามาสอนพวกเธอทั้งหลายเหมือนใบไม้กับมือเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดหมื่นสี่พันเรื่องลองเรามาดูจริงๆเลยเพราะก็เรื่องกายเรื่องใจเรานี่แหละเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นระเบียบพิในประสูตรตอนตัปิโดกสองหมื่นสองพันมาทำมขันพระพิในเป็นกสองหมื่นสองพันมาทำมขันพระอภิธรรมปีโดกสี่หมื่น 4,000 พธนไปทำาขันเออผิดไหถ้าผิดกขขอไปนะเรื่องจำเลยไม่ค่อยแม่นลูนจำก็คือเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติ ด, ดูกายดูใจของเรานี่ประสูตธพระวิธรรมพระวินัยเป็นเรื่องชีวิตเราล้วนล้วนที่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเรียกว่าวัตถุอาการวัตถุปรรมัตาอาการ เราจะเห็นอารมณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเห็นโลกทำเห็นนามทำเห็นโูกทุกเห็นนามทุกเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุปรามัตอาการโอ้แตกฉานตอนเห็นวัตถุเนี่ยเห็นปรมัตุเนี่ยมันเป็นวัตถุตาเราก็เป็นวัตถุหูเราก็เป็นวัตถุ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 มีความรู้ก็สร้างเอาเวลามันหลงก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เนี่ยสร้างเอาเปลี่ยนร่าให้เป็นดีอย่างนี้นี่ก็กำลังกาลังสร้างวาสนามันจะมีวาสนาจะมีบุญจะมีกุศลจะมีเมตถผลนผิพพานไปนะพร ะ, ะนั้าการปฏิบัติธรรมเนะ่มันไม่ฟรีหรอกมันเป็นงานเป็นการยกมือสร้างจังหวารู้สึกตัวเคลื่อนไหวไปมา ทำเล่นๆ น, นะอย่าไปทำจริงจังจนหน้าดำขำเครียดอยากลูก่อยากเขียนอะไรทำสบายๆหายใจหล่งๆวางใจสบายๆอย่าไปคิดอะไรที่มันเบืองหน้าเบื้องหลังทำสื่อๆจกมือเคลื่อนไว้สื่อๆลู่สื่อๆไปจะเอาอะไรไม่ต้องเอาอะไรไม่แต่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไปนะั่นแหะ ถ้ามีความลู่ก็ถูกต้องแล้วเอพลิกข้างหนึ่งก็ลู่ข้างหนึ่งยกขึ้นมาก็ลู่เคลื่อนไหวไปมาก็ลู่มันลู่อยู่นั้นอาศัยรีบทอาศัยรูปแบบอาศัยนิมิตเกาะไปเคลื่อนไปไหวไปอทํำใหม่ๆต้องอาศัยนิมิตใหม้มากๆสิบสี่จังหวะก็ลู่สิบสี่ข้างอย่างเนี้ยเดินไปก็อข้าวไปก็อลู่ไปลู่ไปมันหยากยากเอาหยากหยากไปก่อน การยกมือสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวรีบวดแบบสร้างจังหวะมันพอเพียงถ้าเป็นการศึกษาผสมผูลแบบเป็นมหาเป็นการศึกษาที่ชั้นอุดมแล้ววัตถุที่ยกก็มีจริงๆไม่มือมีกายเรียกว่ากายานุปะนะัชนาเนี่ยแล้วมันก็รู่จริงๆเนะนี่ยเนี่ยมันสมบูรณ์ไม่ได้ ว, วาดมโนภาพไม่ใช่จับลูกแก้วมามองไปดูให้มันติดตา หลับตาก็เห็นไหมเห็นไหมไม่เอาแอแบบนั้นไม่เอามันเห็นมือนี่มันเป็นนิมิตเนี่ยของจริงเนี่ยเอาของกริงมาศึกษาทำไปทำไปมันจะปวดจะเมื่อยนี่แหละของกริงเห็นเวทนานนเห็นเวทนาเห็นมันคิดนั่นหละของ ก, งกริงแล้วมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราจเจริญสติถ้านั่งหลับตาให้มันสงบโอ้นิมิตเกิดมากมายมันค็หลอกก็หลงไป ติดอยู่ในความหลงติดอยู่ในความสงบติดอยู่ในความสุขตายอยู่ตรงนั้นก็มีนักภาวนาทั้งหลายอันนี้เราไม่ต้องอันนี้มีก็เกิดได้น้อยเพราะคนลู้สึกตัวอยู่นะพร <c oughs> าเราลู้สึกตัวอยู่ลูบสึกตัวอยู่นยถ้าเกิดก็เกิดเพินเพิ น, พนผิวผิวคอยทำให้หลงอพอเข้าใจไหมไม่ได้ผูดรลีรับอะไร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 มาเถอะมานเลาบ้านเล่าอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้วยสันปฏิบัติธรรมต่สมควรใจเวลาพวกเราก็กลาบพระพร้อมกันระหงสัมมาสัมพุทธ佛菩萨佛งอพ兰วาเด วากโตขะกะวะตาธรรมโมธรนมมงคลสุพติปโนขะกะวะโตสาวะกะจังโกจังหังนมะ